ทันประโยคนาวจรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาเช้าตรู่ <c oughs> เป็นเวลาที่เราจะต้องเอาชนะกิเลส <c oughs> ความจริงการชนะกิเลสก็ไม่ใช่ของง่ายนักแต่ก็ไม่ใช่ของยากสําหรับคนดีที่มีความเพียรและก็มีสติสัมปชัญญะ การชนะกิเลสเราชนะเป็นขันข้นขั้นดับแรกเราจะอาจไม่เอาชนะตลอดการแต่ว่าเราจะชนะช่วคราวคือรักษากำลังใจของเราตอนช้าให้สะอาดปราศจากกิเลสมีอารมณ์ไม่เกาะกับกิเลสทั้งหมดอันดับแรกของคันดาพโยคาวาจรทั้งหลาย ตั้งใจไว้ในด้านของอากินจัญญายตนาชาญอากินจัญญายตนาชาญนี่สมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจ้าทร <c oughs> งแนะนำโลกศิษย์จุฬามภาวรีท่านหนึ่งที่ไปถามพระพุทธเจ้าด้วยการหวังพระนิพพานถ้าหวังพระนิพพานจะทำยังไง <c oughs> องสำเร็จไว้จอมไตรทรงแนะนําว่าทรงอารมณ์อากินจัญญายาตนณฑชาญไว้เป็นปกติและในที่สุดท่านจะถึงพระนิพพานเองเป็นของไม่ยากนักสช่นแบบอารมณ์อากินจัญญายาตนณฑชาญนี่เขามีความรู้สึกอย่างนี้คือมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนทั้งหมดเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมด สัตว์ทุกประเภททุกตัวตนเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลือวัตถุธาตุต่างๆมีขึ้นมาแล้วก็พังหมดในะที่สุดอายุของมันร่วมความวาโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเราจะหวังคนเปที่เกาะคนก็ตายย่หวังสัตว์ไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาสัตว์ก็ตาย อย่าหวังวัตถุธาตุใดๆให้เป็นที่อาศัยตลอดการตลอดสมัยก็ไม่ได้มันก็พังแล้วในที่สุดร่างกายของเราเองมันก็พังเช่นเดียวกันดังนั้นองค์สมเด็จพระสุนทนรยงบอกว่าอย่าเกาะอะไรทั้งหมดอย่าสนใจคืออย่าเกาะร่างกายของเราเอ ง, งอย่าคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะอยู่ตลอดการตลอดสมัย มันไม่ช้านักความตายก็จะเข้ามาถึงและก็ทรงเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพวุนี้ทรงจัดให้เตือนไว้เสมอว่าตจงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราคันเดียวนี้ย้อยเสมอจิตจะได้มีความไม่ประมาทแล้วก็ไม่หวันบาตให้ความตายตายเมื่อไร่เราจะมีความสุขเหมืนนั้นถ้าคิดอย่างนี้ <c oughs> เมื่อการคิดอย่างนี้แล้วเราต้องทำความดีทุกอย่างเพื่อว่าเราจะตายตายแล้วเราจะแบกความดีไปเพื่อสวงหาแสวงหาผลคือความสุขถ้าเราจะเกาะกายร่างกายคนอื่นเป็นที่พึ่งเขาก็ตายเหมือนกันรวมความว่าเราไม่มีอะไรเป็นฐานที่เกาะฉันโลกนี้เป็นที่ไม่ต้องการสาหรับเราถ้าเราต้องการยึด เทวโลกกับพรหมโลกเป็นที่อาศัยอยู่ตลอดการตลอดสมัยแล้วก็ทบทวนด้วยกําลังใจเขาปุกปืนินวาสานุติญาณเราเคยเกิดเป็นเทวดาในพบไหนมาบ้างกี่ครั้งกี่วาระแล้ว เ, เคยเกิดเป็นพรหมในพบไหนมาบ้างกี่ครั้งกี่วาระแล้วเราสามารถจะอยู่นั่นได้ตลอดการตลอดสมัยไหม ถ้าอยู่ได้เราก็ไม่มานั่งทุกข์กันแบบนี้เมื่อหมดบุญวาสนาบาบรมีก็ต้องเหาะลงมาเหาะเรามาข้างแค่มนุษย์ก็ดีทมไปแตส่วนใหญ่เหาะจากสวรรค์เหาะจากรูมโลกก็เหาะลงอเวจีไปบ้างลงนรกขุมต่างๆไปบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างอย่างเบาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทบทวนชีวิตของเราให้ดี ภาวะต่างๆที่เกิดมาแล้วมีอะไรเป็นสุขบ้างมีอะไรเป็นทุกข์บ้างบ้างใช้ปุเปืนวาสานทิยานถอยหลังไปให้ดีให้ชัดจับเอาสักชาติสองชาติคอค อ, อในฐานะที่เป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์มีฐานะดีที่สุดเราเคยมีจนที่สุดเราก็เคยเป็นทั้งรวยและทั้งจนทั้งดีและทั้งจนเราก็ไม่พบกับความสุข มันก็พบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ถอยหลังไปทีพลาดท่าพลาดทางนิดหน่อยก็เป็นสัจินญฉนพลาดมากไปก็แปลสุรกายมากไปนิดก็เป็นเปรมากหนักก็ลงนรกไปเลยแต่การเวียนว่ยตายเกิดอย่างนี้ถ้ามีอยู่ความสุขจะไม่มีสำหรับเราฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่กเกาะอะไรทั้งหมด ไม่เกาะถ้ามนุษย์มนุษย์สันโลกเทวโลกแต่พรมโลกแล้วเราจะเกาะ อ, อะไรเรเกาะนิพานการก่อนิพานจะทํายังไงใช้อากินจัญญาเตนนฌานเป็นพื้นฐานประจำใจให้มีความรู้สึกว่าจิตเราไม่ติดอะไรเลยส่วนที่เราจะติดเนี่ยมันไม่มีมนุษย์เราก็ไม่ติดเทวดาเราก็ไม่ติดพรมเราก็ไม่ติด ทำจิตให้ปลอดโปร่งจากความชั่วคือนโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงฉันเดินตามสายให้ตรงจะยึดอารมณ์นี้ไว้ก่อนนั่นคืออารมณ์ของปะโสดาบันพยายามพิจารณาสัชน์สามรายการแบบเบาๆอืนหนึ่งสกายะทิฏฐิมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ตายแล้วเราเราไม่ยอมจะเป็นทุกข์เราจะเดินไปหาความสุขจุดเดียวนั่นคือยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมยึดพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งการยึดท่านเป็นที่พึ่งเนี่ยไม่ใช่ยึดแต่กําลังใจเฉยๆจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนำของพระองค์ด้วยยังจะช่วยเรามีความสุขท่านนึกว่าเราจะเคารพท่านเฉยๆอันนี้ไม่เป็นประโยชน์เลย ทันงนี้พอ่อไร้ว่วเราจะไม่พบกับความจริงเราจะไม่พบกับความดีเหมือนกับคนที่เรียนวิชาความรู้เป็นช่างเรียนวิชาช่างมาแต่ไม่เคยทำงานช่างเลยผลงานก็ไม่ปรากฏเราจะไม่มีความสุขจากความรู้นั้นหรือว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวเรียนวิชาเรียนรู้รออาหารแต่ไม่เคยปรุงอาหารกินเลย แค่ยอมรับนับถือ ว, ว่าครูท่านดีครูท่านสอนอย่างนั้นครูท่านสอนอย่างนี้แต่เราไม่เคยนําความดีมากระทาให้เกิดผลมันก็ไม่เคยได้กินอาหารที่เราเรียนสําหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเรายอมรับนับถือท่านแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับคนที่ไม่นับถือหรือยอมรับนับถือแต่ดื้อด้านไม่ยอมทําตาม อันนี้ก็ใช้อะไรไม่ได้วิธีที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนนั่นก็คือศีลเราจะให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งองเราจริงๆอันดับแรกทรงศีลให้บริรสุทธิ์พระศีลทุกสิขาหมดจดจำไว้ว่ามีอะไรบ้างก่อนจะหลับทบทวนเรื่องศีล ตื่นขึ้นมาใ ห, ใหม่ๆเวลานี้ทบทวนหนื่งสีทบทวนเนงสินพราะว่าวันที่แล้วมาระบบกต้องในสินที่ขาบทไหนบ้างต่อไปเราจะยับยังไม่ยอมให้เสียต่อไปอีกและกระม่อมระวังด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เตือนใจไว้เสมอถ้าทรงคุณอย่างนี้ท่านบอกว่าเข้าเกณฑ์เ่าโสดาบัน ถ้าทางกําลังใจของเรานั้นให้เข้าเกงก็าว่าสกิทาคามีถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นจิต เ, เราทรงอารมณ์ได้ก็ใช้ได้ถือว่าชนะกันเพียงน้อยให้กําลังใจใหเข้าทรงอารมณ์เขาว่าสกิทาคามีก็ยกกายของเรายกกายเขาบงคนอื่นขึ้นว่ากายของเราสะอาดและสุกป ร, รกกายของคนอื่นสะอาดและสกป ร, รก เราจะพบว่ากายเราก็ดีกายเขาก็ดีเต็มไปด้วยความสุขกรอกโศโคร ก, รกในเมื่อมันสุขปรอกแล้วสุขกรบอกเฉยหรือไม่หรือเปล่า <c oughs> นอกจากการสุขปรอกโสโครก <c oughs> มันก็เต็มไปด้วยความทุรนทุรายมีแต่การของความทุกข์จากความหิวบ้างความหนาวบ้างร้อนบ้างป่วยไข้ไม่สมบายบ้างปวดอุจจาระปัสสาวะบ้าง มีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจบ้างกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างความหวั่นไหวความสะเทือนเป็นปัจจัยของความทุกข์มันมีอยู่เสมอฉะนั้นเราจะไม่หลงในร่างกายของเราแต่เราจะไม่หลงในร่างกายของคนอื่นแต่ว่าขั้นพระสกิธาคามียังตัดไม่ขาด <c oughs> เพียงบรรเทาความเมาในความรักในระหว่างเพศ ถ้าคิดว่าเราจะแต่งงานกับใครก็ดูกายของเขาที่ก่อนว่ากายของเขาสุขภพหรือกายของเขาสะอาด <c oughs> ถ้าพอใจในสวนทรงและผิวพรรณเมื้อวัยวัยกําลังสาววักวยกำลังหนุ่มกําลังสวยกําลังน่ารักกําลังผ่องใสแต่จงจะดูว่าวัยทั้งหลายเหล่านี้มาโทรมไปทุกวันมันไม่ทรงตัว ความแก่ก้าวหน้าเข้ามาทุกวันความเศร้ามองก็เกิดขึ้นสิ่งที่เราคิดและคำนึงว่ามันจะดีมันก็เลยไม่ดีแล้วในที่สุดร่างกายของทุกคนนี้ก็ต้องตายก่อนตายดูคนแก่ที่ก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ร่างกายเหี่ยวหนังย่นเป็นคู่ครองกันคนที่เป็นคู่ครองกัน่ะมีความสุขกันทุกวันทุกเวลา ท, ท, ท, ท, ที่เราคิดไหม ก็ไม่จริงอยู่กันไม่นานเท่าไรก็ต้องจากกันไปหากินที่โนนบางหากินที่นี่บางบางคนสามีปัญญาแยกกันอยู่คนละมุมโลกเวลานี้นีมากฉะนั้นขอบรรดาสาวกคงุองสมเ็จพระพูทมีพระภาถ้าบ่าเอินความรักในระหว่างเพศจะเพิ่มมีก็ให้มันบันเทาให้เบาบางลงพยายามกดอารมณ์ถ้าเป็นพระเป็นเนงกดอารมณ์ให้แน่นอน ไม่หมายความความรักจะมีเราได้แล้วอาจจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ว่านั่นในเมื่อเราพ้นสภาพจากความเป็นพระหรือเป็นเนรถ้าเรายังเป็นพระยังเป็นเนนอยู่เราจะไม่ยอมให้กำลังพวกนี้มาท่วมทักกำลังใจชนะเราได้เราจะไม่ยอมให้มันชนะเราเราจะชนะมันตัดไม่ได้อดใจไว้มองดูกายวัลโอมพระเหลือง เราผมผ้า ย, ยอมนำปาดาละโกลทิะเราเป็นปูชนียบุคคลชาวบ้านจะต้องมาไหวชาวบ้านเขาจะต้องเลี้ยงให้ด้วยความเคารพ <c oughs> ถ้าจะหลงอลงมณข้องความรักแล้วก็เหลวเกินไปสำหรับที่ชาวบ้านเขาจะมาบูชาตัดไม่ได้อดใจว่โชคราวจงกว่าจะหมดเกล็นเป็นพระเป็นเนรสำหรับครวาด ความรักยังมีอยู่ยับยั้งย้ายฟูเกินไปรักมีความรักแค่ใดรักแค่นั้นเ ข, ข้าคู่ตัวหัวเมียมีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นแล้วก็คิดถึงความจริงว่าความรักมันพบกับความสะอาดด้วยความศกดิ์สุขบรกเราจะมองเห็นว่าความรักมันเดินขบมหาความกสุขธิกทุกนาทีอันนี้ก็ไม่ต้องขอติบายพรทุกคนทราบอยู่แล้ว ได้ความรักก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เรารักมากเราก็ทุกข์มากเราก็ห่วงคุยความห่วงมากมีความห่วงแหนมากแล้วก็ทุกข์มากทุกข์ก็เกรงว่าจะจากกันเพราะจะขาหมดอำนาจจะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เราก็ห้ามไม่ได้ลงใจเบาใจไว้คิดว่าเอารักก็รักได้ความรักเราจะรักแบบเป็นแบบียนนี้ที่มันเชื่อมกันมาแล้ว ใจของเหล่านี้จะทำให้สายเป็นแก้วคิดว่าความรักครั้งนี้จะมีครั้งสุดท้ายในชีวิตต่อไปเบื่อหน้าแต่แต่กายทำลายขันจากชาตินี้ไปแล้วความรักประเภทนี้จะไม่มีไม่ต้องการความทุกข์จากความรักไม่ต้องการ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องการความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก รักมากทุกมากรักมากเสียใจมากแ้่พัดต้าจากกันเราจะไม่มีความนักประเภทนี้อีกความอยากรวยก็เช่นเดียวกันรวยมากก็แก่รวยมากก็ป่วยรวยมากก็ทุกข์กระทังใจรวยมากก็ตายความรวยเรามีได้แต่เราจะรวยด้วยความซื่อสาสุจริตไม่คิดตรยศไม่คดโกงใคร ไม่ยื อ, อยงทรัพสมบัติของใครพอใ จ, จเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่และก็ไม่กระเสือกสนเกินพอดีกำลังของความโกรธเราจะบรรเทาได้เพราะวีหารสี่มีจิตเมตตาคิดว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาทำให้คนอื่นโกรธเพราะกำลังใจเขาตกอยู่ภายใต้นหน้าของกิเลสคนทุกคนอยากมีความสุขไม่มีความทุกข์ แต่ทาให้คนอื่นโกรธเขามีควาทุกข์ทุกขกิเลสมันเข้ามาบังใจทําลายล้างความดีคนประเภทนี้คนให้อโหสิกรรมคือให้ อ, อภัยรักษากําลังใจบรรเทาความโกรธความโลภและความรักเป็นอารมณ์ขั้นพระสีธาคามีพระสีธาคามีจะกระพิจารณากําลังใจได้ว่าเราเคยกระทบกระทั่ ง, งแบบนี้สมัยก่อนเราโกรธมากแต่ว่าเวลานี้โกรธเบา เลือโกรธชาหายเร็วอันนี้เป็นอาการของวสจิธาคา ม, มีเรายังไม่เป็นพระวสจิธาคา ม, มีก็ไม่เป็นไรจะควบคองกำลังใจไม่ให้มันชูเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลงจะกดให้มันจมลงด้วยกําลังของสติและสมัมปชัญญะ <c oughs> และใช้ปัญญาเขา้าไปคาดเขงข้าวสิ่งแวดล้อมอย่างนี้จิตจะบริสุทธิ์ ต่อไปก็มาทำลายความโกรธจริงจังด้วยพร ม, มีหารสี่นี้กรสินสี่ประกอบวิกายจะขาดตาโนติคิดว่าชีวิตในนี้มันเมื่อมันจะต้องตายทำไมเราจึงจะตายด้วยกําลังใจที่เศร้าหมองเดือดร้อนคือความโกรธเราไม่เอาใครดีก็เชิญดีใครชั่วก็เชิญชัว่วเราเรักษาตัวให้กิจส่งตัวคือวางเฉยให้สังขาร วางเฉยแน่รมที่กระทบกระทำทำใจสบายคิดว่าโลกนี้คนเกิดมาเท่าไรไ ม, ไม่พ้นการนินทาไม่พ้นการเสียดสีว่าร้ยายแกพยายามรัสายกําลังใจให้ทรงตัวถ้าบังเอิญมันอยาโกรธแปล้งทําเป็นมันไม่โกรธโดยใช้กําลังอากกินในวสัญญานาสัญญาเจะตะนะความโกรธยังเหลืออยู่แต่ไม่ปล่อยความโกรธผุ กดอารมณ์วางเฉยทำเหมือนว่าไม่รู้ไม่คิดไม่รู้ไม่เห็นทําให้คนที่ไม่มีความโกรธกดอารมณ์ไม่ในใจทํากําลังใจสบายหลังจากนั้นก็ตัดความรักในระหว่างเพลิดเนกายรัาตานติอสุปกรรมฐาน่เจารณาตามความเป็นจริงว่าคนทุกคนมีสภาพมันสบเคลื่อนทีในร่างกายไม่มีอรณีมีแต่ความสุขกัโกรกโศครก แล้วก็ไม่มีการทรงตัวมีการสลายตัวทุกวันเดินก็ไปหาความตายเดินก็หาความพังถ้าเราจะู่ใเกาะกลุ่มรกรรมประเภทนี้อยู่เราก็โง่เกินไปกำลังใจของเราจะเป็นทุกข์จะไม่มีความสุขยามคลายความโกรธกดความรักในระหว่างเพศไว้ถ้าเลิกไม่ได้กดแค่ไว้ในใจ แย่ดิ้นลนมาจะปากแค่นี้จิตใจเขามันดาสาววขององสมเด็จพระพูทมีพระภระาคก็ชื่อว่าเป็นจิตใจสะอาดพอควร <c oughs> ควรแก่การสการะบูชาเลี้ยงดูควรด่าแทนพุทธบรมสารหลังจากนั้นคุณสาววของ็องสมเด็จพระสงฆ์เสวยตัดกำลังใจขั้นสุดท้ายคือว่าคิดว่ามนุษย์สันโลกเทวโลกละระพรลมโลกไม่เหตุของดีที่เราจะเบิเกาะ เป็นของชั่วเป็นของเลวที่เป็นปัจจัยของความทุกข์มนุสสนโลกเทวโลกระพรมโลกไม่ใช่ของสวยสดชุนงามที่เราจะพึงหลงยิดใจเราตั้งตรงไว้เฉพาะนิพพานหลังจากนั้นยกกำลังใจของทุกท่านออกจากกายนวัส ก, การท่านผู้มีคุณระหว่างบรรดุขมพลศีรษะอดแล้วหลังจากนั้นยกใจของท่านไปเมืองแก้วเก่าคือนิพพาน เอาจิตกําลังจิตของท่านไปวางไว้ต่อหน้าองค์สมเด็จพระชิทธิธรคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าไม่เห็นตัวไปตั้งไว้ยังไงข้างหน้าถ้าได้ทิพยาณเห็นแน่ถ้าไม่ได้ทิพยาณไม่เห็นก็ใจนึกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เราเวลานี้เรานั่งอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังใจจะเป็นสุขยิ่งกว่าจะได้เวลาอันสมควร ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกำลังใจทำพยาศั ย, ย่านั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็ได้ตามสบายอย่าธรรมก า, กายให้เสรยดขอทุกท่านเริ่มปฏิบัติได้